ท้อน้อมต่อคุณพระรัตนตรยัยขอกราบบูชาหลวงพ่อกำเขียนหลวงพ่อเทียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหล่ที่แนะนําตักเตือนพวกเรากราบขอโอกาสพระอาจารย์วันชัยกราบขอโอกาสพระอาจารย์สุลินทรแล้วก็ขอโอกาสเพื่อนสาวธรมิกเจริญพรพวกเราเมชีนะแล้วก็อุบาสกอุบาสิกา ถึงวันนี้ก็พวกเรามากันเยอะแยะก็อาจจะมากันด้วยวันมรคะเนาะวันนี้ก็เป็นวันก่อนวันมรคะในพุทธประวัติก็ก่อนวันมรคะก็มีสิ่งที่น่าสนใจเนาะอย่างตอนนั้นเนาะก็จะมีเด็กๆ ก, ก็จะว่าอุ้ยพทธเจ้าเป็นผู้พิเศษแน่ๆเลยนะ แบบว่าแบบทําให้คนเป็นพันกว่าคนเนาะแบบว่าเป็นคล้ายๆว่ายอมเชื่อเนาะยอมตามพุทธเจ้ายอมมาเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าฉดินสามพี่น้องนะใช่ไหมที่ว่าฉดินคนพี่ก็มีลูกศิษย์500คนฉดินคนกลางก็มีลูกศิษย์สามอคนฉดินคนน้องก็มีลูกศิษย์200คน รนะวมลูกศิษย์ทั้งหมดก็พันคนรวมหัวหน้าอีกสามคนกนะ็เป็นพันกับสามคนอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> ก็ตอนเด็กๆ ก, ก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเหมือนกับในความในความคิดก็เหมือนกับเป็นเรื่องไม่จริงเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างนี้นะอย่างนั้นแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะฮะแต่ว่ามันเหมือนกับมันมันเหมือนกับมันเป็นเรื่องไกลๆตัวเรื่องพิเศษเรื่องที่มัน เกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอนหรืออะไรต่างๆหน้าๆแล่านั้นก็นน <g å> <g å> แต่พอปรากฏว่าเรามาอ่านเนาะมาอ่านอย่างคล้ายๆว่าพุทธประวัติในเชิงของมหายาณนเนาะก็พูดถึงตอนนี้เอาไว้เนาะว่าชดินสามพี่น้องเนี่ยก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าตั้งใจนะที่จะหาสแสวงหาแนวทางที่จะเหมือนกับ บรรลุมรรคผลนิพพานเนาะเหมือนกับว่าที่สุดของชีวิตเนี่ยนะอยากที่จะไปให้ถึงก็สิ่งที่ทําอยู่ก็คือก็ค่าแพะค่าแกะบูชายัญเนานะค่าแพะค่าแกะก็เหมือนกับว่าเอาเป็นเครื่องเส้นเครื่องสังเบยใช่ั้ยเหมือนกับตุ๊ดจีนที่ผ่านมาก็มีหมูเห็ดเป็ดไก่ะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็เอา จะไม่เอาไปไหว้แล้วก็ขอให้ได้สิ่งที่ต้องการเนาะก็เดี๋ยวนี้เนาะก็ยังทํากันอยู่นะ 2,500 2,600 ปีที่แล้วก็ทํากันอยู่แบบนี้ละ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนั้นอะพุทธเจ้าเองเนาะถึงบันนั้นพุทธเจ้าเองก็ชัดเจนนั่นละมาไอการทําแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกไอการที่จะมาแบบว่า ออนวอนขอร้องเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่านั่นคือใช่มแต่ว่าณยุคนั้นพระพุทธเจ้าก็ถือว่ามีตัวคนเดียวนั่นละตอนนั้นก็อาจจะมีสาวกอยู่ประมาณสัก60หรืออะไรต่างๆนานาซึ่งก็เสียงก็ยังไม่ได้ดังนะในต้องเรียกว่าในในสังคมยุคนั้นใช่เพราะฉะนั้นนั่นคือผู้คนที่เขาทำตามๆสืบต่อกันมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า เป็นสิ่งที่เขาก็เชื่ออย่างนั้นเขาก็ทําอย่างนั้นกันแล้วก็ที่สําคัญก็คือก็จะค่าแพะค่าแกะก็ต้องเลือกนะเลือกตัวสวยๆเพื่อที่ว่าจะได้ให้ได้ผลที่สุดนะคำอ้อนวอนอ้อนวอนอันนี้เนี่ยมันจะได้แบบได้ผลที่สุดก็ต่อเมื่อเราเหมือนกับว่าหาเครื่องเส้นเครื่องสังเวยที่ดีที่สุดตรงนั้นก็พุทธเจ้าเองก็เล็งเห็นว่าจริงๆแล้วความตั้งใจดีของพวกนี้มี แต่ว่าบิธีการที่เขาทำมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นนั่นคือพระเจ้าเองก็ได้เข้าไปนะเข้าไปหากลุ่มคนตรงนี้โดยที่เข้าไปหาพี่ใหญ่การที่เข้าไปหาพี่ใหญ่เนี่ยนะก็มองเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นคนที่มีอายุแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทําเรื่องนี้อย่างไม่ปล่อยไม่วางนะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือก็ได้เข้าไปก็พี่ใหญ่ใช่ไหมก็ คงจะถือตัวเองอยู่นะว่าตัวเองก็เป็นก็เรียกมีลูกศิลุกหามากมายนะนักบวชหนุ่มคนนี้มาตัวคนเดียวนะก็หนุ่มๆ น, นะอายุรุ่นราวคราวลูกอย่างเงี้ยเนาะจะมีอะไรใช่ไหมอย่างนั้นนั้นสิ่งที่จะต้องทำกันก็คือคงต้องทดลองอะไรต่างๆนา น, นานเหล่านี้นะไม่ใช่ทดลองพูดผิดไปทดสอบทดสอบต่างๆใช่อย่างนั้นก็พวกเราก็ ได้เคยรู้พุทธประมติตรงช่วงนี้มานะั้นก็ทดสอบอะไรต่างๆนานาแล้วนี้แต่ว่าสิ่งทดสอบต่างๆพุทธเจ้าก็ผ่านได้หมดตรงนี้ก็วันคืนล่วงไปก็ทำให้เหมือนกับชดินพี่นะผู้พี่นี่ก็อาจจะนึกนับถืออยู่ในใจจริงๆอนะ่ะด้วยบุคลิกลักษณะนะสิ่งที่เห็นนะการเดินการ การกินอยู่การหลับนอนแรงตาา่างนาเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าก็ได้เห็นอยู่นะแต่กรณีว่าตรงนั้นอาจจะความถือดีก็อาจจะทําให้เหมือนกับยังคิดว่าสิ่งตัวเองมีดีกว่าสิ่งที่พระเจ้ามีมันไม่มีอะไรดิใช่ไหมฮะอย่างนั้นไม่มีบริวารไม่มีเครื่องเส้นไม่มีเครื่องสังเวยไม่มีอุปกรณ์อะไรทั้งหมดเลยนะใช่ไหมฮะอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นัน่นก็คือตรงเนี้ยถึงพันหนึ่งพระเจ้าก็ นี่อันนี้ในทางมหายานนะฮะ ก, ก็บอกว่าถึงวันหนึ่งพระเจ้าก็ไปยืนอยู่ริมน้ําที่พวกนั้นเขาอยู่กันนั่นแหละความที่เหมือนกับทุกวันพระเจ้าไม่เคยทําแบบนี้นะมันนั้นชาดินผู้พี่นี่ก็ยืนจับตามองอยู่เอ๊่นักโบวชคนนี้เป็นอะไร <c oughs> ไปยืนอยู่ตรงนั้นตั้งนาน <c oughs> จริงๆพระเจ้าก็คล้ายๆว่าก็อยากจะอาศัยสถานการณ์นี้แหละให้เขาได้อ้าปากถามแล้วก็ท้ายที่สุดเขาก็ถามจริงๆนะว่า ท่านมายืนอยู่ตรงนี้ทำอะไรเนี่ย <c oughs> ก็พุทธเจ้าก็เมื่อมีคำถามคำนี้ก็มีโอกาสที่จะบอกบอกว่าเราอะอยากข้ามน้ําไปฝั่งนู้น <c oughs> จะทำยังไงดีชะดินผูนพ้พี่ก็ตอบบอกว่าจะข้ามน้ําไปฝั่งนู้นก็ต้องข้ามเรือนะใช่ไหมก็เป็นปกตินะ <c oughs> การข้ามฝั่งใช่ไหมก็ต้องอาศัยเรือธรรมดามากๆ พระเจ้าก็บอกกันว่าเดี๋ยวซ้ายลายขวาตอนนี้ก็ไม่มีเรือนะจะทํำยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เจดินก็ไม่ตันได้คิดอะไรก็บอกว่าเอ้าไม่มีเรือก็ต้องข้ามแพนะอย่างนี้ใช่ไหมฮะพระเจ้าก็เหลียวซ้ายลายขวาตรงนี้มันก็ไม่มีแพนะเราจะทํำยังไงอยากข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหมฮะอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็บอกต้องไม่มีเรือไม่มีแพไม่มีแพก็ต้องว่ายน้ําข้ามไปพระเจ้าก็บอกว่าเอ้าเราก็ว่ายน้ําไม่เป็น จะทำยังไงบอกอก็ทําไม่น้ําให้เป็นหร อ, อท่านก็นูน่นเลาะเล ะ, ล ะ, ล ะ, ล ะ, ละตะลิงไปหาตามไหนที่มันพอพอที่จะมีสันดอนให้ข้ามไปได้ก็เดินข้ามไปนั่นแหละอย่างเงี้ยพระเจ้าก็ถามว่าไม่มีวิธีมากกว่านี้อีกแล้วหรอที่จะข้ามน้ําไปฝั่งโน้อนอะไรเงี้ยว่าไม่มีหรอกไม่มีเรือก็ต้องใช้แพรไม่มีแพรก็ต้องว่ายน้ําไม่ไว่ายน้ําก็ต้องนูน่นลุยน้ําไปเองอย่างเนี้ย ค <c oughs> งลาคาญอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> จะเอาอยัางไงตาคนนี้ <c oughs> แต่ว่าพรธเจ้าเองก็ไม่ได้ลาคาญพรเจ้าเองก็คงตั้งใจ <c oughs> นั่นนั่นคือพระเจ้าก็เลยถามขึ้นมาว่าเออถ้าเกิดว่าเราเนาะจะอธิษฐานเนาะขอให้ฝั่งแม่น้ำฝั่งนู้นน่ะมันเลื่อนมานะ่ะแล้วเราก็จะก้าวข้ามไปเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมนะ <c oughs> เราจะทำได้ไหมเนี่ย <laughs> เราฟังดูมันก็ไล่สาระสิ้นดีเนาะใช่ไหมฮะจะทําอย่างนั้นได้ยังไงเะไรย่าไไ <laughs> ชะดินเองก็อย่างนั้นละะ่ะฮะก็พูดอย่างนั้นล่ะว่าโอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมใครจะทําอย่างนั้นได้ใครจะอธิฐานให้แบบว่าฝั่งน้ําฝั่งนู้นมาเลื่อนมาแล้ว ก, ก็ก้าวข้ามไปตรงนี้ละ่ะมันเป็นสิ่งที่พอคาพูดแบบนี้ออกมาจากปากของคนที่ ใช่ไหมก็อธิษฐานอยู่ตลอดเวลาค่าแพะค่าแกะอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการนะ่ะทำมาตลอดชีวิตจนผมหงอกแล้วนะ่ะใช่ไหมฮะอย่างนั้นอะไรเงี้ยนั่นนั่นคือตรงนี้ละมันเป็นสิ่งที่เมื่อกี้เนาะพระอาจารย์สุรินก็บอกว่าท่านทั้งหลายต้องทําความเพียรด้วยตัวเองนะใช่ไหมฮะอย่างนั้นอะไรเงี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่เราต้องการอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราจะอ้อนวอนขอร้องได้ยังไงอนะไรเงี้ย เมื่อกี้พระอาจารย์สุลินทร์ท่านก็ชวนเราสวดนะเพราะทำพวกเราแบบว่าได้สังเกตนะฮะหัวเรื่องเนาะอันแรกก็บอกว่าผู้ชี้ขุมทรัพย์นะอีกอันก็บอกว่าผู้ชี้ผู้ผู้วิ่งบอลขอร้องนะมีขุมทรัพย์นะก็ยังบอกเราวิ่งบอลขอร้องให้เราว่าโอ้นี่พวกเรานะเห็นไหมตรงนี้ใช่ไหยฮะแล้วก็ทําทุกอย่างนั่นที่จะวิ่งบอลบอกเราว่าอันนั้นละเป็นขุมทรัพย์ละ แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกบอกว่าอ่ะเราต้องทําความเพียรด้วยตัวเองนะบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วล ะ, ละอะไรต่างๆตรงเนี้ยพุทธเจ้าเองก็ได้ทําแบบนี้ตลอดมาสิ่งที่พระุทเจ้าทําก็คือคือตรงนี้นะฮะอย่างนั้นอย่างในทางพุทธพวกเราการที่พวกเราเข้ามาอยู่วัดกันสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือ พระเจ้าเองก็พาพวกเราเนี่ยมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าวัดนี่มันไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงนะเ <gaat coverage> พราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงที่เราเคยอยู่มันมีแสงมีสีมีเรื่องราวต่างๆมากมายเนาะใช่ไหมฮะอย่างนั้นอะไรเนี่ยแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่ก็พรุทธเจ้าก็ว่ามันไม่ใช่โลกของความเป็นจริง <gaat coverage> โลกของความเป็นจริงเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ละ่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าถึงวันนึงเนี่ย เราเนี่ยต้องอยู่ด้วยตัวตัวเองจะอาศัยสิ่งอื่นก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะอย่างนั้นจะหาแพรหาแกะสวยๆมาบูชายันก็คงทำไม่ได้นะอย่างนั้นอะไรเงี้ยจนมันสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายพวกเรานะเราก็ต้องอยู่กับตัวเองจริงๆเพราะนั้นนั่คือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเรามาอยู่ที่วัดนะทุกอย่างก็ ไม่มีไอ้นั่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีไอ้สิ่งที่เราเคยมีเคยมีเคยมีมันก็ไม่มีเพราะเนื่องจากว่าวัดก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะใช่ไหมฮะ อ, อย่างนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่นักบวชเนอะยิ่งพวกเราเนี่ยได้เหมือนกับว่าบวชบวช <c oughs> เป็นพระใน พุทธศาสนาเนี่ยแบบเสื้อผ้าก็มีกันอยู่สองสามชิ้นนะต่างกับสมัยก่อนที่อยู่ในเมืองก็มีกันเป็นตู้อย่างเงี้ยนะใช่ไหมฮะอย่างนั้นอาหารที่เคยมีนะเคยซื้อกินได้ตามใจชอบก็ไม่ได้มีอะไรก็ต้องตามนั้นใช่ไหมฮะที่อยู่กันนั่นโคนไม้นั่นเรือนบ้างใช่ไหมฮะอย่างนี้จะนึกถึงบ้านราคา ตอนนั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยฝันฝันว่นาวันหนึ่งเราจะได้อยู่ก็ไม่มี <c oughs> มีของจริงอยู่อย่างเงี้ยทําอย่างนี้ละอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างนั้น <c oughs> ยารักษาโรคเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะทํำยังไง <c oughs> ก็ใช่ไหมฮะก็ น, นํามูดเน่าฉี่ของเรานี่แหละใช่ไหมฮะอย่างเนี้ยนี่พุทธเจ้าเองก็ให้เราแบบนี้ใช่ไหมฮะอย่างนั้น<อ>เราอยากที่จะบวชเราอยากที่จะไหเราก็ต้องเหมือนกับว่าคล้ายๆว่ายอมรับเนาะ ทำหนองเดียวกันความที่วัดในพุทธศาสนาก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนาะจนถึงวันนี้เนี่ยใช่หมก็เป็นที่ที่เหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งของคนที่มีความทุกข์ในใจเนาะเราก็เข้าวัดกันใช่ไหเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่จะช่วยให้เราไม่มีความทุกข์ตรงเนี้ยนั่นนั่นคือตรงนี้นามาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่ได้มาเข้าวัดเนาะแต่เราเข้ามาหัดอยู่กับความเป็นจริง การที่เราเข้ามาหัดอยู่ความเป็นจริงตรงเนี้ยมันจะทำให้เราค่อยๆเห็นว่าไอสิ่งที่เราเคยมีเคยได้นะ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าตอนเนี้ยนาทีเนี้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆช่วยไหฮะอย่างนั้นนั่นก็คือตรงเนี้ยนะครว่าเราเองถ้าเกิดว่าเรามาตามความ <g arden> ก็เรียกว่าตามความเคยชินของเราเนาะตามที่คิดเอาว่ามัน น, น, น, มน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ อันนั้นเราก็ยังไม่อยู่กับความเป็นจริงนะเรายังอยู่กับความคิดเพราะว่าความคิดกับความจริงเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังฝันเอาว่ามันน่าจะมีอย่างนั้นมันน่าจะมีอย่างนี้นะเอ๊ะทำไมมันไม่มีอย่างนั้นเอ๊ะทำไมมันไม่มีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเรายังอยู่กับความฝันเนี่ยเราก็ยังไม่อยู่กับความเป็นจริงจริงๆเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าครูบอาอาจารย์เนาก็จะสอนนะวิธีการที่เราจะอยู่กับความเป็นจริงเนี่ ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่ า, าตรงเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเมื่อเราอยู่กับความเป็นจริงเนาะสิ่งที่ <c oughs> เราจะได้ก็คือ <c oughs> เราได้รู้ความจริงตรงเนี้ยที่ถังเ็าเรียกว่าถังพุทธเราเรียกว่าตรงนี้เป็นอริยทรัพย์ทนระัพย์สินที่เราเคยมีมันไม่ใช่นะมันเป็นของที่มันหมดหมดไป แต่ว่าอริยรัพย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันมีแต่เพิ่มพูนขึ้นนั้นถ้ามันเป็นข <mann> องจริง <reconstruct> ๆที่ไม่มีใครเอาไปได้เลยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าให้เราได้มองเห็นว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาความรู้สึกตัวที่เราค่อยๆเริ่มสร้างขึ้นมาเป็นครั้งๆเป็นครั้งๆตรงเนี้ยเราก็ได้จริงๆนะ <ride> ใช่ไหมถ้าเรารู้สึกตัวจริงๆเนี่ย การที่เราเหมือนกับว่าอยู่กับการเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกจริงๆอยู่กับการเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งหนึ่งก็คือความคิดที่หลอกเราว่าเป็นความเป็นจริงเนี่ยมันก็หายไปตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครูบาอาจารย์ก็ช่วยเรามากๆนะฮะว่าท่านก็สรุป บ, บทเรียนของท่านนะอย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยบอกว่าองค์เคยบวชเคยเรียนนะเคยทําความเทียนมาตั้งแต่อายุ11อย่างเงี้ยนะใช่ไหมฮะ บวชเป็นเนรก็แล้วบวชเป็นพระก็แล้วเนาะพยายามที่จะทำไอ้นู่นไอ้นี่มาทั้งชีวิตเนี่ยจนกระทั่งท่านอายุถึง46อย่างเงี้ยเนาะสิปีถึง46นี่ก็ต้อง30กว่าปีอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะท่านถึงได้พบว่าโอ้วิธีการอย่างนี้ละเป็นวิธีการที่มันเป็นวิธีการที่จะทําให้ท่านเนี่ยได้หลุดพ้นออกมาเนาะหลุดพ้นออกมาจากความทุกข์ทั้งหลายเมื่อก่อนนี้ก็หวังว่าไอ้ทำบุญแล้วใช่ไหมเราจะได้ดี ใช่ไมครก็ทุ่มเทการทําบุญทุกอย่างเพราะว่าท่านเองท่านก็มีเขาเรียกว่าสถานภาพทางทางการเงินนะมีสถานภาพทางสังคมเพียงพอที่จะทําได้แต่ว่านั่นคือตรงนี้เนี่ยภรรยาท่านก็ทักว่าเอ๊ะทาไมเนาะเจ้านี่ก็ทําบุญเยอะแยะนะ้อยังโบโหอยู่อีกเหรอเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช่ไหมฮะเขาเรียกว่า ไอ้ความหงุดหงิดขัดข้องความลำคัญใจความอะไร ต, ต่างๆเหล่านี้ที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่สุดนะใช่ไหมฮะมันเป็นทุกข์ที่สุดว่านั่นคือมันเป็นสิ่งที่อย่างถ้าเกิดว่าเราเอาวัตถุสิ่งของข้างนอกเนี่ยสมมุติหากว่าเราเป็นทุกข์ว่าเราเหมือนกับ ก, กินข้าวมื้อนี้ไม่อร่อยได้เราก็ไปเอาสตังห์หาซื้อข้าวเนาะใช่ไหมฮะที่ตามใจชอบของเราแล้วก็มีความสุขไปวันๆหนึ่งอะไรต่างๆนา ต ร, ตรงนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าทุกตรงนั้นก็เป็นทุกข์ที่เหมือนกับว่าเราก็คิดคิดเอานะว่ามันบันเทาได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันทุกที่มันค้างคาอยู่นี่ก็คือทุกที่อยู่ในใจที่ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราถ้าเกิดว่าเรารู้ความจริงว่าสาเหตุของทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยที่มันปลดปลื้มไม่หมดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่เราก็จะเริ่มต้นที่จะเหมือนกับว่า ค่อยๆลื้อถอนลากโคนออกไปตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทุกอย่างในพัท ธ, ธรรมเนาะที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้ก็บอกเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยได้ลื้อถอนเรื่องราวต่างๆนานาเหล่านี้คําสอนที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้ผ่านสิ่งที่เราสวดมนต์กันเนาะคำต่อคําคําต่อคำคำต่อคํา ต, ต, ต, ตรงนี้เนี่ยถ้าพวกเราได้มีโอกาสได้พิจารณาจริงๆแล้วเนี่ย เราจะพบว่าทุกคำเนี่ยพุทธเจ้าเองบอกบอกเอาไว้ทุกอย่างเหลือแต่เราลงมือทำแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเป็นหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคำเขียนก็ดีเนี่ยก็ได้เหมือนกันได้สรุปเนาะเอามาเป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าลองหัดทํากันเนาะการที่ลองหัดทํากันตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราก็จะได้สัมผัสผลเนาะของการหัดทำกันตรงเนี้ย เราเคยเหมือนกับกินอยู่หลับนอนเนาะอาศัยพ่าหม่มอาศัยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยตรงนั้นเราก็เหมือนกับหนาวเราห่มผ้าเนาะเราก็สัมผัสความอบอุ่นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพอเวลาที่เราทำงานกับการปรึกจิตปึกใจของเราเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยพ้นจากบ่วงแห่งมานเนาะ <laughs> อย่างที่เมื่อกี้บทสุดท้ายนะฮะที่บอกว่าพวกเราจะพ้นจากบ่วงแห่งมารมารก็ไม่ได้อยู่ตรงไหนนะมารก็อยู่ที่ตรงความคิดของเรานี่แหละใช่ไหมฮะเป็นมารที่ดุร้ายมากๆเนาะเพราะว่า <c oughs> สิ่งที่ปรากฏอยู่ใช่ไที่เราเห็นอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามในต่างๆนานาเหล่านี้ก็ <c oughs> ล้วนแล้วแต่มารจากจิตใจเนาะที่แบบว่าไม่ได้ปึกใช่มอย่างนั้น พอจิตใจที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยเรื่องไร้ๆทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่เราเห็นในสังคมนั้นอย่างเหมือนเหมือนกับว่ายังไม่ไร้เท่าไหร่นะแต่ว่าเรื่องไร้ๆที่จิตใจมันสั่งให้เราทรรําสารพัดสารเพย์นะอย่างนั้นอย่างเงี้ยจนท้ายที่สุดสั่งให้เราฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยนะตัวเนี้ยเป็นมารที่แยกเขี้ยวหยิ่งฟันอวดเราอยู่แต่ว่าเราก็มองไม่เห็นเราก็เห็นความคิดเป็นเพื่อนนะเห็นความคิดเป็นเขาเรียกว่า เป็นสิ่งที่ดีที่งามอะไรต่างๆแต่ว่าตรงเนี้ยนะนั่นคือไม่ใช่ของจริงแต่ว่าตรงนี้พอเราเนี่ยเหมือนกับว่าเริ่มกรรมาฐานเนาะเริ่มกรรฐานเนาะในแนวหลวงพเทียนการรู้สึกตัวแต่ละครั้งการรู้สึกตัวแต่ละครั้งตัวเนี้ยมันจะทำให้เรากลับมาสู่ความเป็นจริงเรามีอย่างนี้จริงๆนะแต่เราไม่เคยได้ใช้นะเราเคยใช้เสื้อใช้ผ้าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ แม้กระทั่งเป็นจีบอลสามผืนนะก็ยังเป็นของนอกตัวแต่ว่าพอเรากลับมาสู่ความเป็นจริงที่สุดตรงนี้เนี่ยเรามีกายเรามีใจมีสติสามอย่างตรงนี้ที่ติดตัวเราเนาะอย่างนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนเนาะก็พูดตามตามแบบอย่างของคนที่เรียนน้อยนะหลวงพ่อคำเขียนก็บอกบอกว่าถ้าเราเอาสติเป็นนักศึกษา เอากายเอาใจเนี่ยเป็นตาราเนี่ยตรงเนี้ยนะเราก็จะเหมือนกับว่าเราจะเริ่มต้นกรรมาฐานจากสามอย่างตรงนี้ลหละนะแล้วก็อาศัยกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจเี่ยมาคอยรับรู้แล้วก็เอาสติเนี่ยนะคอยนะก็เรียกว่าคอยดูนะคอยดูกายคอยดูใจตรงเนี้ยเอาสตินะ เป็นนักศึกษาเอากายเอาใจเป็นตำราไม่ได้มีตังค์ซื้อหนังสือหนังหาไม่ได้มีโอกาสเรียนนะเพราะฉะนั้นนั่นคือก็เราลองทำอย่างนี้ดูเนี่ยใช่ไหมฮะลองทำอย่างนี้ดูนะการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งการเคลื่อนไหวของเราแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนบอกเนี่ยนะเอาสติเนี่ยเป็นผู้ที่ดูนะดูกายดูใจนะเราหวังให้กายให้ใจนี้เนี่ยเป็นตาราเนี่ยตรงเนี้ยเนาะ มันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าตำราที่เราก็ไม่รู้ว่าทําอะไร <c oughs> ใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าทําอะไรแลเนี่ยเออเราเคลื่อนไหวไปทําไมหรืออะไรเงี้ยต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราเปิดตําราในภาษาที่เราอ่านไม่ออกอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างนั้นอย่างเงี้นย น, น, นึกถึงนักโบราณคดีอย่างเงนะี้ยเนาะใช่ไหมฮะตัวอักษร ใช่มฮะก็อ่านไม่ออกก็ค่อยๆแกะนะตัวอักษรตัวนี้ซ้ํากับตัวนี้ตัวอักษรตัวนี้ตามตัวนี้ตลอดเวลาหรืออะไรต่ตางๆนานาท้ายสุดนะเขาก็แกะได้ว่าเออคานี้เนี่ยนะคนโบราณเนี่ยเขาเขียนอะไรไว้ให้เราอะไรต่งตตางๆนานาตรงเนี้ยนะก็เป็นเหมือนกันการที่เราเนี่ยเคลื่อนไหวถ้าเกิดว่าเราเนาะได้เหมือนกับบ้าเอาสติเนี่ยคอยดูเนาะคอยดูกายคอยดูใจ ดูไปอย่างนี้แล้วเนาะลองดูนะว่าแบบว่านักโบราณคดีเขาก็ทํามาแล้วเนะวาะมาภาษาที่อ่านไม่ออกเขาก็อ่านไม่ออกใช่ไหมอย่างที่เราก็เหมือนกันเนาะแบบอันนี้ไม่เป็นภาษานะใช่ไหมเป็นกายเป็นใจอย่างเงี้ยแต่หลวงพ่อคําเขียนก็บอกบอกว่าอันนี้แล้วนะกายใจนี่แหละเป็นตําลาเพราะฉะนั้นั้คือตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าความเพียรของเราเป็นความเพียรที่ถูกต้องเนี่ยเราคอยดูเนาะคอยดู ไม่ใช่ว่าเราก็เคลื่อนไหวไปแล้วก็คิดไปนะว่าเอ๊ะทําอะไรทําอย่างงี้จะได้อะไรทําไบนั้นจะได้อะไรอันนั้นก็ไม่ใช่นะเราก็อยู่กับความคิดอีกแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะถ้าหากว่าเรากลับมาหัดเนาะตั้งมั่นที่จะเป็นผู้ดูดูความเคลื่อนไหวของกายไปเรื่อยๆดูความเคลื่อนไหวของกายไปเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าเป็นเดือนเป็นปีตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า เป็นความรู้นะที่มาจากตำราสองอันก็คือตำราของกายตําราของใจตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความจริงที่เราไม่เคยรู้นั่นนั่นคือตรงนี้เราก็อยู่ความจริงมานานเนาะแต่ว่าเราไม่เคยรู้ความจริงในล้วกเขาเรียกว่าในล้วกของวัดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งแบบนี้สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวัดเนาะก็เป็นไปเพื่อให้เราเนี่ยได้ค่อยๆอยอยู่กับความเป็นจริง แล้ค่อยๆได้เรียนรู้ความเป็นจริงตรงนั้นตรงนี้หละเป็นสิ่งที่ความจริงนะทั้งหลายแหลเนาะที่เคยที่เราเคยยึดเคยมั่นว่ามันใช่มันจริงเลยแต่นานๆเหล่านี้มันก็จะค่อยๆหลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้เหมือนกับกําหนดสิ่งต่างๆให้เรานะกําหนดก็เรียกว่า ข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้ละได้วางเนาะบางอย่างเนี่ยพระเจ้าก็ถือว่าบังคับกันเลยนะอาทิเช่นอย่างสุนทถามว่าจะมาเป็นนักบวชเนี่ยก็โกนผมทิ้งไปก่อนนะจะมาจะมาเป็นนักบวชเนี่ยก็ทิ้งเสื้อผ้าเก่าไปก่อนนั้นก็ถือเป็นการบังคับเนาะจะเป็นนักบวชนี่ก็ต้องเหมือนกับว่าเอาวินยนะัยเนาะเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างนี้เนาะอย่าไปหาอย่างอื่นอะไรต่างๆ ตรงนี้ก็เป็นข้อบังคับพวกเราเข้ามาอยู่วัดกันก็มันก็จะมาอยู่ในข้อบังคับบางประการเนาะแต่ว่าตรงนั้น่ะก็เป็นข้อบังคับที่ให้พวกเราได้เห็นว่านี่คือความเอื้อเฟื้อเนาะอย่างที่เช่นสิ่งที่เราผิดไปจะเป็นการกินเนาะที่เหลือวันหนึ่งสองมือ้อหรือว่าการนอนที่เราเคยนอนดึกตื่นสายก็กลายเป็นจะแม่นอนหัวค่ำตื่นเช้าอะไรต่างๆนานาแถว น, า น, นี้เงื่อนไขพวกเนี้ย ล้วนแล้วแต่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยได้กลับเข้ามาเห็นความเป็นจริงเงื่อนไขพวกนี้จะเป็นเงื่อนไขที่เ้าเรียกว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยได้คิดนะอย่างละเอียดได้คิดได้ตรองอย่างละเอียดแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นเงื่อนไขที่ถ้าพวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกนะบอกว่าถ้าพวกเราปฏิบัติตามทำตามวินัยเนี่ยไม่ต้องมีใครนะเป็นตัวแทนของเรา ปฏิบัติแค่ตามธรรมตามวินัยนี่แหละข้อปฏิบัติตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราจะพาตัวเองเนี่ยค่อยๆเนาะก็เรียกว่าพ้นจากสิ่งที่เป็นความหลอกลวงทั้งหลายนะเหลือแต่ความเป็นจริงที่เราได้เหมือนกับว่าได้ค่อยๆเรียนได้ค่อยๆรู้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ท า, ากากว่าพวกเราเนาะก็เรียกว่ามีความอดทนเพียงพอ แล้วพวกเราเนี่ยมีความเพียรเนานะที่เหมือนกับว่ามีความตั้งใจที่จะเหมือนกับว่าพาชีวิตของเราเนี่ยให้ทุกน้อยลงทุกน้อยลงจนกระทั่งไม่มีทุกในที่สุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะค่อยๆเดินเดินไปบนเส้นทางตรงนี้บางทีพวกเราอาจจะนึกเนาะว่าถึงเมื่อก่อนเนี่ยบางทีพวกเรามีทุกเนี่ยเราก็อยากให้ทุกมันเนี่ยหายว่าไปกับตาอย่างเนี้ย ซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นความคิดที่มันไม่เป็นความจริงนะแต่ว่าที่นี่เนาะหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้พวกเราเนี่ยได้เริ่มต้นนะอย่างเป็นจริงก็คือจากน้อยนะไปสู่มากเนาะจากการที่เราเนี่ยเริ่มก้าวเดินเนาะเริ่มก้าวเดินหันหลังให้กับความไม่ดีหันหลังให้กับความทุกข์เนี่ยก้าวเดินของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราห่างทุกข์ไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่า การที galera, mm ่เราค่อยๆเหมือนกับว่าค่อยทำความรู้สึกตัวผ่านการที่เราเนี่ยเริ่มเนาะเหมือนกับว่าเริ่มเจริญสติผ่านสิีจังหวะเนี่ยรู้มั่งไม่รู้มั่งรู้มั่งไม่รู้มั่งตรงเนี้ยนะอย่างนั้นผ่านความสับสนนะของการที่ความคิดที่หลอกเอานะความสงสัยความฟุ้งซ่านอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราตั้งมั่นว่าเราจะขอนะ ลองรู้สึกตัวดูแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยตรงนี้เนี่ยการรู้สึกตัวแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยได้เหมือนกับว่าวางความคิดไปก่อนนะแล้วคอยรู้สึกตัวแต่ละครั้งเนี่ยเราจะพบว่าอืมไอการที่เรามาเสียเวลาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจมากนะเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราลองเพียรอยู่เป็นชั่วโมงเนาะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสอสามนาทีเนี่ย เราก็ต้องรู้สึกตัวบ้างนะเพียน <an h> อยู่สองชั่วโมงนะชั่วโมงต่อไปก็อาจจะได้สักห้านาทีนะอะไรอย่างนี้เนาะวันต่อไปก็อาจจะได้เป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยการรู้สึกตัวทีละนาทีทีละครั้งทีละไม่นาทีจนกระทั่งเป็นครึ่งชั่วโมงจนกระทั่งเป็นชั่วโมงตรงนี้เนะี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเองเราก็แบบว่าพ้นจากทุกจริงๆตรงนั้นเนาะวันหนึ่งยีิบสี่ชั่วโมงเราก็เคยหลงไปทั้งยีิบสี่ชั่วโมงอย่างนี้นะ กับกลายเป็นว่าเออนะขนาดเราทําไม่เป็นทําไม่ได้นะก็ยังเหมือนกับว่าเราก็ยังพ้นนะพ้นเป็นครั้งครั้งพ้นเป็นหนาทีก็ดีสนาทีก็ดีในต่างๆ ต, ตรงเนี้ยนะเป็นสิ่งที่นี่คือก็อยากให้พวกเราเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในก็เรียกว่าในวัดที่ตั้งใจที่จะมาในวันมาคบูชาก็ดีนะ หรือว่าตั้งใจที่จะเข้ามาวัดนะเพื่อที่ว่าจะทาให้ทุกขในชีวิตเราน้อยลงก็ดีเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราเนี่ยได้เข้ามาเขาเรียกว่ามาเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะผ่านการรู้สึกตัวแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกว่าเราจะค่อยๆรู้จากการที่เหมือนกับเราค่อยๆดู กายของเราค่อยๆดูใจของเราเอากายของเราใจของเราเป็นตําราตรงนี้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาพุทธเจ้าเองก็บอกนะในกายนี้มันมีสิ่งที่อยู่ในกายอีกนะในใจนี้มันมีสิ่งที่อยู่ในใจอีกนะอะไรต่างๆบทสวดต่างๆนานาเหล่านี้ก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยตรงนั้นจะค่อยๆปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าเองเนี่ยก็บอกลงหน้าเอาไว้ พอพวกเราปฏิบัติไปพวกเราเนี่ยมีสติเนาะตั้งมั่นที่จะคอยดูมีความตั้งใจมั่นจะดูความเป็นไปของกายเราของใจเราตามที่หลวงพ่อคำเขียนบอกเอาไว้ว่ากายเรากายใจของเราเนี่ยเป็นตำราสติของเราเนี่ยเป็นนักศึกษาถ้าเราลองทำแบบนี้เนี่ยความจริงต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเราตรงเนี้ยก็พระเจ้าเองก็บอกบอกว่าตรงเนี้ยนะเป็นธรรมเนาะ ที่เราจะมีสติเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นดวงตาเนาะที่เอาไว้เห็นเนาะเห็นธรรมที่ปรากฏขึ้นมานนธรรมที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้เนี่ยพอเห็น บ, บ่อยๆเห็น บ, บ่อยๆเนาะใช่ไหมเราก็จะค่อยเข้าใจความเข้าใจธรรมก็จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไฮะอย่างนั้นพอความเข้าใจธรรมเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าการรู้ธรรมเนาะใช่ฮะ รู้อ้อนีนะเข้าใจค่อยๆเข้าใจไปทีละเรื่อง2เรื่องก็นะรู้นะตรงเนี้ยนะการรู้แจ้งเห็นจริงหรือเลนตาณาเ่า น, า น, า น, า น, านี้เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าเองเนี่ยบอกว่าไว้โดยทนตัวเนี่ยเชื่อหมดใจนะฮะแต่ว่านั่นคือทุกวันนี้ก็หมายถึงว่าเราก็เชื่อเราก็เดินตามเราก็เดินตามแล้วก็มั่นใจว่าทุกก้าวที่เรารู้สึกตัวเนี่ยก็ มั่นใจว่าเราก็เดินห่างทุกไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็มั่นใจว่าปลายทางข้างหน้าเนี่ยมันเป็นปลายทางที่ไม่ทุกเนี่ยมีจริงจริงนะจะเป็นชีวิตหลวงพ่อกำเขียนที่จบลงไปแล้วให้เราได้เห็นว่าโอ้นี่คนที่ไม่ทุกเนี่ยแม้กระทั่งเวลาที่ชีวิตเนาะมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเบียดเบียนมากมายอย่างนี้ก็ไม่ทุกจริงจริงนะอะไรต่างๆตรงเนี้ยนะเป็นสิ่งที่ ครูบาอาจารย์ทางเราหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อขมเขียนนี่ยจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เรียนน้อยนะภาษาบาลีศัพท์ต่างๆนานาที่เป็นศัพท์ที่เราเหมือนกับเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยไม่หลวงพ่อจะไม่ไม่พูดไม่ไม่ค่อยพูดคําว่านิพพานคําว่าอะไรต่างๆนาเหล่านี้จะไม่มีแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือความเป็นจริงที่ชีวิตของท่านเนี่ยค่อยๆเคลื่อนไปค่อยๆเคลื่อนไป จากนตั้งถึงจุดสุดท้ายที่เหมือนกับว่าเป็นจุดที่เราเห็นการหมดลมของท่านหรืออะไรต่างนานาล้าเนี้เราก็พบว่าอู้ดีเออคนเรานะสามารถดารงชีวิตประจาวันนะกับสถานการณ์ต่างๆแม้กระทั่งสถานการณ์ของความตายที่เราก็มีความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลยทางานาแต่ตรงเนี้ยความไม่ทุกเนี่ยมีจริงๆ ถ้ตรงนั้นน่ะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนด้วยหลวงพ่อกำเขียนด้วยนะก็บอกบอกว่าอย่างอื่นนะไม่เอานะเอาแค่ความไม่ทุกเนี่ยพอเพราะฉะนั้นนั่นคือก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งใจนะที่จะคอยรู้สึกตัวไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยตรงเนี้ยนะเขาเรียกว่าความรู้สึกตัวเราอยู่กับความรู้สึกตัวเราก็อยู่กับสตินะอยู่กับมารดาของธรรมนะที่เป็นมารดาของธรรมทั้งปวงนั่นคือตรงเนี้ย ก็ขอให้ธรรมะเนี่ยก็คุ้มครองพวกเราก็ขอให้ธรรมะที่พวกเราเนี่ยเพียรสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้รับผลตรงนั้นจริงๆทุกคนก็พวกเรากราบพระพร้อมกัน